ช่วงเช้านี้พระผ่าสวดอะไรเวทนาหรือเปล่าในแต่ละวันเนะมื่อวานเรื่องของกายเราได้เวทนาไปสวดเวทนาเอ น, นี้เพื่อที่จะให้เวลาของเราที่มีอยู่เนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์ทุกเวลานาทีเพราะเวลาลจำกัดเพราเป็นเรื่องที่จะนำเสนอก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำเลยทีเดียวไม่มีเรื่องอื่นเข้ามา เสียกันเสวลาซึ่งข้อมูลต่างๆเดี๋ยวรควรรู้มันเยอะแยะมากมายเจ้าส่วนที่จะนำมาใช้ได้จริงๆเนี่ยมันมีไม่มากเพราะนั้นอง ก, ก็ส่วนใหญ่ที่เราเสียเวลาการฝึกฝนอบรมก็คือข้อมูลมาเยอะเกินไปข้อมูลที่ไม่จำเป็นเพราะนั้นเองาก็ <c oughs> คอยสังเกตศึกษาสิ่งเหล่านี้ว่าทำไมธรรมะของพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องยาก ทำไมคุณเข้าถึงยากก็เพราะว่ามันไปสับสนกับข้อมูลที่มันเยอะเกินไปในปัตบอดเอยทิฏฐิความเห็นของครูบาอาจารย์เอยลัทิความเชื่อของแต่ละสำนักเลยทั้งในทางต่างประเทศทั้งต่างลัทินิกายเยอะแยะไปหมดแล้วก็ทำให้เราจับไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไร พุทธเจ้านีนใช้คำว่ารกชัดรกชัดหมายถึงว่ามันลุ่มลังไม่หดนะหนานแน่นไปได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นผิวน้ำก็มันเป็นในสระที่มีสนมเยอะๆเอาอะไรโยนไปมันไม่ลงไม่ถึงน้ำมันไปติดสนมติดหักตกติดอะไรหมดนั้นเองใ <c> น <oughs> ช่วงวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ เฝ้าดูเวทนาในส่วนที่ละเอียดซึ่งอาจจะเป็นหลักการทางทฤษฎีผสมบ้างทั้ง น, นี้เพื่อให้เห็นว่าที่เราปฏิบัติกันเนี่ยมันตรงกับคำสอนพุทธเจ้าตรงไหนมันไม่ตรงตรงไหนอะไรที่เป็นการแรกเสริมขึ้นที่เป็นการเพิ่มเติมเธอจะเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ตัดมันง่ายและ ชัดเจนแต่ด้วยความเข้าใจไม่ชัดของเราเนี่ยเราไปเพิ่มนั่นเติมนี่จนกระทั่งว่ามันมากกว่าของจริงนีน่ในส่วนของอการดูกายดูเวทนาเนี่ยท่านให้ดูเท่าที่สิ่งที่มีอยู่เนี่นะคือกลับมาตั้งต้นในสิ่งที่มีอยู่เสมอในธาตุในขันของเราคือในธาตุสี ท่านก็ให้ดูลักษณะอาการของมันในอาการสามีสองอะไรต่างๆที่เราสวดมาก็ให้ดูอาการของมันไม่ดูเป็นแย ก, กว่าไ อ, าอ้ว่าส่วนนั้นส่วนนี้ออกมาจะเห็นอาการโดยรวมของมันนั้นอาการโดยรวมของธาตุของขันมันก็ออกมาในแง่ของเวทนาแต่ละขณะอย่างขณะเนี้ยเวทนาแต่ละคนไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน แต่ว่ามันก็มีหลักรวมๆอยู่ว่าเวลาเรานั่งไปนานๆยืนนานๆเดินนานๆมันในส่วนกายเปย็นยางไรส่วนกายมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเองหนักขึ้นถ้าโครงสร้างของคนไหนที่เข้มแข็งหน่อยก็ไม่ค่อยตึงไม่ค่อยหนักเท่าไหร่มีความต้านทานสูง การเวียนหลายเวียนของเรื่องลมสะดวกก็รู้สึกเฉยๆหรือยไม่มากแต่สําหรับคนที่มีร่างกายอ่อนแอรหรือมีความโรคภัยไข้เจ็บประจําอยู่ร่างกายก็จะเบาบางนางั่งไม่นานก็ดูเหมือนนา น, นยืนเดินไม่นานก็ดูเหมือนนานเพราะมันมีอาการเจ็บปวดหนักหน่วงไว มันต่งางันตรงนี้นี่เราก็ใช้ใช้อาการที่มีอยู่นี่แหละที่มันปรากฏที่แหละไม่ว่าใครจะหนักช้าหรือไวไม่ว่าใครจะร่างกายเข้มแข็งหรืออ่อนแอก็มีค่าเท่ากันในง่ของการหยิบเอาเวทนาในส่วนนั้นขึ้นมาเป็นนิมิตของกรรมฐานหมายควาเอาตัวหนักตัวเบาตัวนี้ขึ้นมาเป็นที่ตั้งของการ ขอดูซึ่งถ้าหากว่าในจุดนี้อามาจะใช้คำว่าที่ตั้งของการดูที่ตั้งการศึกษาที่ตั้งการ آ, รับรู้ไม่อยากจะใช้คําว่าที่ตั้งของการพิจารณาหรือที่ตั้งของการกําหนดรู้ซึ่งมันความหมายค่อนข้า ง, งจะแปลเปลี่ยนไปได้ง่ายที่ตั้งของการพิจารณาเราเข้าไปคิดพิจารณากลายเป็นวิจกวิจารณ์ว่าอาการนี้เป็นอย่างนี้อาการนี้เป็นเราคิดไป หรือว่าที่ตั้งของการกำหนดรู้เราก็จะเพ่งแต่ความรู้สึกชนิดนั้นแหละเข้าไปหนักเข้าไปการใช้ภาษามันมีส่วนที่ทำให้ระว่างความรู้สึกแต่แว่าพี่ตั้งของการเฝ้าดูตามรู้ตามเห็นตามศึกษาอาการที่มีตามรู้เนี่ยชัดที่สุดเพราะในที่ใช้ว่าอนุปัสสนากายาบวกกายบวกอนุปัสสนาบวกสติ ว่ามีความรู้สึกตัวตามรู้กายอนุปัสนาแปลว่าตามรู้ตามเห็นก็ได้ปสัสสะตรงนี้แปลว่าเห็นอนุปัสสะแปลว่าตามเห็นตามรู้อาการที่มีอยู่ขณะนี้เราตรวจสอบของเราว่าอาการที่ปรากฏที่ในตัวของเราจริงๆเนี่ยที่ไม่ต้องเพิ่มต้องเติมต้องเสริมต้องแต่องอะไรเลยมันมีอะไรบ้าง ดูเข้าไปตรงๆนะอาการที่เราเข้าไปเห็นไปตามรู้อาการเหล่านี้เป็นการของวิชาคือหมาคอรับรู้ในสิ่งที่มีอยู่โดยนี้ไม่ต้องเพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรให้หรือทาสีสันอะไรลงไปนะเพิ่มเติมสีสันไม่ต้องเวลารู้สึกตั้งแต่สารวจตร ง, งโดยหัวจุดเท้าเนี่ยจุดเท้าลงมาตามลำดับว่า ในส่วนหัวไหลไเป็นยังไงส่วนลำตัวเป็นยางไรส่วนตะพโกส่วนขาเป็นยางไรสารวจลงไปถ้าเราเก็บรายละเอียดมากขึ้ น, นก็ในส่วนหัวลงมาแล้วก็จะมีลมหายใจใช่ไนอกกนั้นก็มีอาการพิเศษของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็คือวิบากเวทนา เช่นบางคนอาจจะนอกจากหายใจแล้วยังมีการปวดฟันด้วยบางคนอาจจะหายใจฝืดด้วยบางคนอาจจะปวดหัวาจะปวดไหลบางคนอาจจะตื้ออย่างเงี้ยนี่อาการพิเศษที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันแต่อาการที่เหมือนเหมือนกันคือมีการเคลื่อนไหวการหายใจนี่อาการหลักๆที่เหมือนกัน ในส่วนที่ต่างกันคือต่างในรายละเอียดแล้วก็ตามรู้ของเราซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันในแง่ของรายละเอียดแต่เหมือนกันในแง่ในส่วนหลักคือธาตุธาตุดินมันจะแสดงในอาการหนักเบาธาตุล ม, มอาการถึงการเคลื่อนไหวธาตุน้ำแสดงถึงอาการเย็นธาตุไฟแสดงถึงอาการร้อนอ น, นีอาการหลักๆจะเท่ากันอยู่ีเรียก ว, ว่าธาตุ แต่การย่อยๆก็คืออาการอาการที่เป็นเวทนาแตกต่างกันไปตามธาตุความหมอนไอความเข้มแข็งของแต่ละคนแล้วทัดลงมาจากคอลงมาหาลําตัวเป็นยังไงบ้างคนก็จะมีปวดดัมพอปวดหัวไหล่ปวดแขนอันนี้อาการแยกแตกบางคนอาจจะไม่มีบางคนรู้สึกสบายๆโลง่ลงๆโปร่ปง ตะบุนกับหนักหน่วงทวงทัพแล้วก็เอาการล่านี้ตามดูลงไปไม่ไม่ไม่ไมละเลยเพราะนั้นคําว่าอาวิชชาเนี่ยภาษาแปลภาษาอังกฤษเคยใช้ว่าอ o ก e นอ n ก r e แปลว่าละเลยเพิกเฉยไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่มีอยู่ในตัวเขาเรียกอิกโนเ่าจะใช้ก็อิกโนแรนที่ว่ า, าวอาวิชชาหรืออานนาแวคือไม่ไม่ตระหนักรู้ใน สิ่งที่มีอยู่เนี่ยท่านเรียกว่าเป็นอวิชาแต่ถ้าเราได้ตรักรู้หรือไม่ละเลยไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในส่วนนั้นๆของกายก็เริ่มเป็นวิชาเอาแหว่ตะหนักรู้แล้วก็ใส่ใจสนใจในสิ่งที่มีอยู่ตามรู้ไปยังนี่เรื่อยๆแล้วอาการเหล่านี้มันก็ไม่คงที่นะมันก็เปลี่ยนไปบางทีมิกิมันหนัก พอเปลี่ยนไปปั๊บมันก็เบาขึ้นก็ดูอาการเบาต่อไปหรือในส่วนใดของร่างกายที่มันมีวิบากเฉพาะตัวก็ต่างกันไปอีกบางคนนอกจากหายใจเข้าออกแล้วก็ยังมีปวดท้องปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดหัวไหล่บางคนมีโรคดับใจอะไรต่างก็จะแสดงอาการไปตามาอาการของมันก็เราก็สัมผัสไปตามนั้น โดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเราเป็นของเราเราจะเจ็บเราจะป่วยเราจะสบายไม่ต้องไปีพภาวิจารณ์ออกไปอย่างนั้นให้รู้เท่าที่มันมีอยู่เข้าไปรู้ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามให้รู้เท่าที่มีอยู่ดูอาการลงไปการตามรู้าอาการที่มีอยู่เนี่ยจะเห็นการเพิ่มขึ้นของอาการเพิ่มขึ้นในทางหนักหรือทางเบาก็ได้บางคนก็จะ วิดูไปก็เบาไปอากาศต่างๆโดยการใช้ที่ว่าท่านใช้คําว่าธรรมโอสถคือใช้กําลังของสติสมาธิเข้าไปตามรู้สิ่งเหล่านี้ส บ, ส, สบายๆโดยที่ไม่มีความเป็นตัวไปนตนไม่มีความคิดไม่มีอุปทันว่าเราเจ็บเราป่วยเราสบายไม่สบายเข้าไปแทรกดูมันเป็นกลางกลางลักษณะนี้ท่านบอกมันคล้ายๆกับเป็นการฉายแสงเป็นการเอ็กซเรย์ของจิตลงไป เัปัจจุบันนี้เราก็นิยมที่ว่าเอาสติเอาสมาธิปัญญามรักษาโรคเอาสมาธิมรักษาโรคคือใช้วิธีตามรู้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปเพิ่มความเป็นเราลงไปไอ้ความเป็นเรามันมืนไปนเพิ่มอุปท า, านเพิ่มยาพิษของการเฝ้าดูลงไปที่มันเจ็บแล้วก็รู้สึกมันดูเมืนมันเจ็บมากขึ้นสําหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องสถิปติฐานเนี่ยจิตใจก็จะไปตอกย้าซ้ําเติมอยู่ตรงที่จุดที่มันเป็นนั่นแหละ อาการที่มันมากไม่มากมันก็เหมือนมากขึ้นนี่คือเรื่ออุปทานมันยาพิษมันเข้าไปเสริมในส่วนที่มันไม่ค่อยดีมันแย่ขึ้นแต่พอมาแก้ด้วยตัวรู้เหมือนกระชายแสงเลเซอร์เข้าไปเข้าไปฆ่าเชื้อถ้ากำลังสติสมาธิเราแรงเท่าไหร่อาการโรคภัยไข้เจ็บมันก็ถูกบำบัดไปก็อย่างนี้ก็มีนะหลายคนที่มาฝึกสมาธิแล้วนี่โรคภัยไข้เจ็บหาย หรืดีขึ้นอย่างนี้ก็มีเนี่ยมันมันมเป็นหลักโดยธรรมชาตินะแต่เราไม่ค่อยเชื่อมันเท่าไหร่เราไปเชื่อหมอเชื่อยามากกว่าปัจ <c oughs> จุบันเขาใช่พลังจิตใช้โยเลอะไรที่เขาใช้กันนะมันก็มีผลนะมีผลอยู่ดังนั้นในส่วนของจิตที่เป็นฝ่ายบวกหรือฝ่ายรู้ตลางกลางรู้ซื่อ รู้เฉยๆรู้ตรงๆ ร, งรู้ชัดๆเท่าที่มีเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นมหากุศลนะไม่ใช่จิตธรรมดาเพราะสตินี่มันเป็นมหากุศลมันมีพลังในนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ใจเราตั้งใจบางคนก็เติมแต่งเมตตาเข้าไปเติมแต่งตัวกรุณาเข้าไปเติมแต่งความ คิดความปรารถนาดีที่เป็นกุศลทั้งหลายเข้าไปในอาการของฉิดนั้นนั้นอันนี้มันก็เหมือนเพิ่มยาเข้าไปลักษณะอย่างนั้นนะดังนั้นอาการที่เรามีอยู่อย่างเงี้เราก็ดูไปเรื่อยๆตามดูคนไหนตามดูได้มากกระแสะของการเฝ้าดูก็จะเข้มแข็งมั่นคงขึ้นก็จึงมาเน้นความรู้สึกตัวเพื่อให้การเฝ้าดูของเราชัดเจนตั้งมั่นได้นาน แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีกระแสของสติสมัยะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเข้าไปรักษาการสังเกตการเฝ้าดูดตัวนี้มันก็อ่อนแอพอมีอะไรที่กระแสอื่นเข้ามาดูดมาดึงได้แรงกว่ามันก็ไปกับสิ่งนั้นมันก็ลืมอาการเหล่านี้อาการหลงลืมอาการไม่ใส่ใจต่อสิ่งนี้ก็เลือกอีกนอมันหรือไม่ใส่ใจหลงละเลย ดังนั้นการเจริญสติปัญญานนั้นเป็นการามาตามดูเอากายมาเอาจิตมาตามดูกายนั่นเองแต่เราเรียกชื่อออกมาหมายว่าความรู้สึกตัวหรือสติอาการมันดั้งเดิมก็คือมีสองอย่างคือกายกับจิตใช่ไหมกายกับจิตถ้าหากว่าไม่มีการฝึกฝนสติปัญฐาสีจิตมันก็จะถูกดึงดูดไปตามสัญชตาตญาณ คือสูงออกไปรู้สิ่งข้างนอกอะไรเกิดขึ้นในตัวเองก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งเรามีโอกาสได้มาศึกษาเรื่องสศรษประธานสี่สูตรของพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ใส่ใจให้เฝ้าดูอาการโยกอาการขยับในทาาสีในขันห้าของเรานี่แหละเป็นตัวตั้งแล้วก็ท่านก็เอาตัวกายเนี่ยมาไปที่ตั้งอันดับแรก เดีวกายอนุปัสนาสติตามดูมีสติมีสมัมผชยะตามดูอาการภายในกายแ ต, ต่ท่านตั้งไว้เป็นหกหลักเนี่ยไม่มาก็ไม่แน่ใจว่าในหกอย่างเนี่ยพุทธเจ้าท่านตั้งไว้เป็นหลักทั้งหกหรือเปล่าหรือตั้งเป็นบางบางอย่างแล้วเกจิอาจารย์ชั้นหลังเมื่อมีการสังยานาได้เพิ่มขึ้นในรายละเอียดเพิ่มขึ้น อะไรเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเพราะาปฏตบิณโพุก็ผ่านมาไม่รู้กี่พันปีแต่เราก็มาดูหลักๆว่าในส่วนที่น่าจะพุทธเจ้ า, จาน่าจะเน้นสองสาอย่างเนี่ยมาว่าเช่นลมหายใจการเคลื่อนไหวในบทสี่ยืนเดินนั่งนอนการเคลื่อนไหวในอิบทย่อยภาพตาอ้าปากเดี่ยวใช้ไหลขวา ในสาอย่างนี่ค่อนข้างชัดเจนว่าพุทธองค์ท่านน่าจะน่าจะมาจากพุทธน์แต่ในส่วนอีกสามอย่างหลังนี้่ยมาไม่แน่ใจสามอย่างหลังที่จะมีพิจารณธาตุสี่วิจารณการสามสิบสองวิจารณาอาสุภะสามอย่างเนี่ยอันนี้จะเป็นเกจิอาจารย์ชั้นหลังตามมาหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าดูทั้งสามนี่ในฐานะเป็นอาการร่วมนะใช้ได้เพราะฉะนั้นใน อาการเฝ้าดูอาการในอายุสามสส่วนท่านไม่ได้เฝ้าดูว่าเป็นส่วนส่วนท่านใช่เฝ้าดูอาการหมวดที่ชื่อว่าทวัดติงสาการนะทวัดติงสาการคือตามดูอาการ32มสิงทด็ผมขนเล็บฟันหนังกับไตเสีปอดที่เราสวดมาให้ตามดูอาการโดยรวมมันมีอยู่แค่3ามอย่างในการสบายอาการไม่สบาย ในอาการที่ยังไม่ชัดว่ามันสบายหรือไม่สบายรวมแล้วเนี่ยสามสองอย่างเนี่ยดูแค่สามอย่างและสามอย่างก็ดูเหลืออย่างเดียวคือเหลืออย่างส่วนที่มันปรากฏไม่ใช่สามอย่างนี่ปรากฏพร้อมกันนะมันจะปรากฏมันอาจจะปรากฏพร้อมกันแต่ว่ามันไม่ชัดเหมือนกันอย่างในความรู้สึกสบายเนี่ยมันก็มีความไม่สบายแทรกอยู่และในความ สบายเนี่ยมันมีความารู้สึกเป็นกลากลางแทรกอยู่แต่มันไม่ชัดหรือบางครั้งเรารู้สึกหนักที่หลังหลักที่เอวเนี่ยอาการมันไม่สบายปรากฏชัดในอาการไม่สบายเนี่ยอาการสบายมันก็มีแทรกอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ชัด อ, อันนี้เป็นตัวเดียวดูอาการนี้ไปเรื่อยๆที่จับสิ่งนี้มันเน้นเพื่อให้เห็นว่าสิ่งนี้คือที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ เวลาไปทำแล้วถ้าหากว่าเราไม่ชี้กันชัดๆอยนีน้เรามักจะลังเลใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอะไรพวกนีน้มันก็จะขิ้ไปตามวิสัยของเราที่มีข้อมูลเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราเราดูเนี่ยอย่าไปอาเอาข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาสับสนปนเปนกับการเฝ้าดูเพียงแต่รู้เท่าที่มีอ่ะ แต่ว่าไอ้สิ่งเท่าที่มีเนะี่ยมันไม่ได้อยู่คงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นถึงได้ตามดูตลอดไงเพราะเพื่อจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมันทุกระยะระยะสมมุติว่าในสิบนาทีมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหนึ่งนาทีแรกสองนาทีสามนาทีสี่นาทีสมมติเราเอาละเราหนักใช่ไหแล้วขออยับปั๊บหนึ่งห่อทับลงไปใหม่การเปลี่ยนแปลงมันก็เริ่มตั้งแต่ที่มันเรานั่งเข้าไปใหม่นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่มีสติ ไม่มีศรัทธาที่จะดูนะมันก็ไม่ได้ตามดูหรอกพิกแล้วก็แล้วไปแล้วก็ไปสนใจเรื่องอื่นแต่อาการที่นี้มันไม่ได้อยู่คงที่อพอพิกแล้วมันก็เพิ่มเพิ่มน้ําหนักเพิ่มการเปลี่ยนแปลงมันมากขึ้นเรื่อยๆเช่นยังไงถามว่าสมมตเราพริกแล้วอาการหนักมันเพิ่มขึ้นอย่างไรโดยหลักของวิทยาศาสตร์ว่าในธาตุในขันของเราเนี่ย ธรรมชาติอันหนึ่งก็คือเราเชื่อตามกฎที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่พุทธชจ้าตรัสไว้ว่ากฎอันเนี้ยมีมาตั้งแงตงกนะ่ก่อนพระองค์จั้แต่ตั้งโลกนะก่อนพระองค์ตรัสรูกฎอันนี้ก็มีอยู่หรือห่านไปของท่านพรรุทธากฎอันนี้ก็ยังอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎอันนั้นก็คืออะไรอันนี้จังทุกขังหน้าตามีมาก่อนเลยแล้วเวลาเรา เรามีรูปของเราเนี่ยแน่นอนว่าเราใช้หล็กเลี่ยงอ น, นิจจังทุกคั้งหน้าตามไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่สุดที่เราเห็นภายในกายของเราเการเปลี่ยนแปลงของธาตุสีดินก็เปลี่ยนแปลงเป็นหนักเป็นเบาธาตุน้ําก็เปลี่ยนแปลงคือเลือดไหลวนตลอดเวลาหมุนตลอดเวลาธาตุลมก็ไหลเวียนตลอดเวลา ทัดไฟก็เหมือนกันปรับให้ลมทั้งสามได้ทำงานร่วมกันตลอดเวลาที่การเปลี่ยนแปลงของมันออกมาในรูปไหนบ้างเช่นที่เราสัมผัสได้ว่าถ้าเรานั่งนา น, น, านมันรู้สึกหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าตัวเซลล์ต่างๆที่เรานั่งทับลงไปเนี่ยมันก็มีกำลังของมันจะไปเลื่นลมก็เข้าไปเลี้ยงปกติแต่พอเรานั่งไปนานๆาน้นหนักของเราเนี่ยไปทับไอเซลล์ต่างๆ พอเลือดลมต่างๆให้มันติดตันลงเรื่อยๆตามกําลังน้ําหนักของเราพอมาเริ่มติดตันลงการหมุนเวียนของเลือดลมที่มันหมุนเวียนอยู่โดยหลักของไตรักเนี่ยมันไปมันไปชั่งักคือแทนที่มันจะวิ่งไปห1ึ่งสิบรอบต่อหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยถ้ามันหมุนด้วยว่า10รอบอันนี้แล้วแต่ความถี่หรือชีพจรของใครต่ำสูงหรือเจ็ดสรอบต่อ นาทีแต่พอเรานั่งท้ามันไปปั๊บมันจะลดต่ำลงมาเรื่อยๆมันจะเหลือ 70,60,50 แล้วแต่ปาน้ำหนักของเรามากน้อยแค่ไหนไอ้การที่มันลดความถี่ในการหมุนลงเนี่ยมันก็ช้าใช่ไหมเหมือนรถติดอะมันวิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอลดมากขึ้นมากขึ้นมันติดมันเหลือ 70,60, าจนการเ่งขึ้นขึ้นลถติด ชวโมงงมันยังไม่ไปไหนเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นไงก็ติดนะเหมือนกันการไหลเวียนของเลือดลมของเราพอมันถูกความหนานแน่นน้ําหนักของเราทับไปการไหลเวียนก็ช้าลงช้าลงช้าลงการช้าลงของการไหลเวียนมันก็เพิ่มความหนักเพิ่มความอึดอัดพิ่มความเจ็บปวดเพิ่มความไม่สบายขึ้นตามลาดับเพราะว่าเลือดลมมันไม่ได้ทํางานปกติเราก็รู้สึกหนัก รู้สึกปวดใช่ไหมรู้สึกไม่สบายก็ไป็เหตุให้เราจะต้องขยับละทีเนี้ยขยับเขาขยับก็เหมือนคือว่าอา้าวตอนนี้ตำรวจจราจรมาแล้วให้รถผ่านอย่างนี้เนี่ยมันไม่ติดไฟแดงนั่นก็คือเกิดการตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนอา้าเบาไปหมายความว่าพอจุดที่มันถูกกดทับถูกเคลื่อนไหวปั๊บเลือดลมที่มันถูก ติดอยู่ตรงนั้นมืกี้มันหมุนพุ้ดไปเลยอาการเบาก็เกิดขึ้นรุบเลยใช่ไหมเวาปรับปเรากดปับ๊บโดยเฉพาะถ้าเรานั่งนานๆที่มันหนักม า, มากพอเรายกปั๊บเนี่ยมันรู้ว่าเบาทันทีเลยเพราะเลือดลมวิ่งพุ้ดผ่านไปอย่างแรงกดอนิจังได้รับการปฏิบัติการอย่างถูกธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้กดอนิจังถูก บล็อกเอาไว้มันได้ให้ไม่ได้ทํางานตามธรรมชาติของมันมาเลยหนักขึ้น เ, เื่อยๆเราไปฟื้นกดของของนิจจังไปบล็อกกดอนิจจังไว้สิ่งที่ตามมาก็คืออะไรทุกขังคือความไม่สบายณจุดนั้น น, ะนี่ทุกขเวทนาตามมา <c oughs> พอทุกเวทนาตามมาเป็นสิ่งที่ภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้ควบคุมให้อยู่คงเดิมไม่ได้หลักของอนัตาก็ตามมาคือไม่สามารถบังคับบัญชาให้อยู่อาการเดิมได้ต้องเปลี่ยน ีเป็นนัตตาพอเปลี่ยนไปปับ๊บจึงชุดผ่านไปอาชุดที่สองมาเอานั่งข้าวไปเหมืเริ่มอีกอย่างเนี้ยมันหมุนเวียนอย่างนี้ตลอดเวลาแต่เราได้เคยตามดูตามรู้อกฎการทำงานของสิ่งเหล่านี้หมไม่ไม่สนใจเขาเลือกอีกหนอคนก็เลยถูกขอบงำด้วยอาวิชาไงพระเจ้าก็เริ่มต้นอาวิชาเป็นต้นเพุของทุก อันนี้คือที่ไปที่มาของเรื่องของปฏิสุบาทเลยต้นต่อเพราะวิชาก็เกิดสังขารสังเครารเกิดวิญญาณไปตามลดาดับขึ้นมาแล้ทีนี้เดินไปตามนั้นทีถ้าหาสมมติเรามารู้สมุทยัยเรามาแก้ด้วยวิชาปุ๊บเนี่ยทำ ม, มาใส่ใจมาดูแลมาปรับปรุงแก้ไขวิชาก็เกิดหัวขบวนที่เป็นอวิช า, าก็เปลี่ยอเปลี่ยนเป็ น, ปนวิชาก็า เ, เ, าา เ, าาเกิดสติสมาธิ ї, ปัญญาญาณวิมุตต์ไปตามลําดับ พอยังเป็นอวิชาอยู่มันก็เปลียนเป็นสังขารวิญญาณนามนุษย์ภาษายะธาวิธนาจารมหาพรฐนไปอีกสายหนึ่งเลยฝ่ายเกิดทุกข์เมื่อพอเป็นเปลี่ยนหัว ข, ขบวนเป็นวิชามันก็ฝ่ายดับทุกข์ก็ปฏิบัติการเหมือนกับรถวิ่งได้ตามปกติของ ม, มันไม่มีกฎอะไรมาบล็อกมันนี่คือคือหลักโดยรูปธรรมเลยนะมันไม่ได้หลักซับซ้อนอะไรเลยแต่เพราะ ความไม่แจ่มแจ้งไม่ชัดเจนไม่มีประสบการณ์ไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้มาก่อนเราก็มองเห็นภาพตรงนี้ไม่ชัดเรายังไม่เห็นรูปธรรมตรงนี้ชัดเราก็เลยในแง่ของนามธรรมมันก็ไม่ชัดเหมือนกันเพราะเรายังไม่รู้รูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกยิงปรากฏคือความไม่สบายและรูปโลกนามโลกไม่สบายท้งกายท้งใจไม่สบายรูปทุกนามทุกก็เกิดนี ทุกทุ่งทุกเกิดก็เพราะอะไรเพราะกฎของอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาเราก็ต้องไปไล่ถึงกฎกฎเบื้งองสูงของมันคือกฎของใจรักษทีหนึ่งดังนั้นภาวะที่ปรากฏต่อการขัดข้องของกฎใจรักออกมาเป็นทุกขงังและกฎของใจรักถูกปฏิบัติให้สอดค้องกับตาม กฎของมันมันปรกากฏออกมาเป็นตัวสุขเวทนาถ้าหากว่าขัดขวางหรือไปบล็อกกฎนี้มันก็ปรากฏออกมาเป็นผลเป็นทุกขเวทนานถ้าเราไม่ใส่ใจต่อกฎของความสุขของผู้ดีมีอยู่ในกายของเราเป็นอทุกขะมาสุขเวทนาก็มีอยู่สามตัวแค่นั้นเองเราก็สนใจแค่สามตัวนี้ทีนี้ในตัว ความรู้สึกสบายของกายลย้วนๆเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเราไม่มีการฝึกฝนไม่มีการอบรมเรื่องความรู้สึกตัวอีกแบบหนึ่งความรู้สึกตัวมีสองอย่างความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาเกี่ยวข้องด้วยรูปความรู้สึกตัวที่เป็นสติเกี่ยวข้องด้วยนามเพราะฉะนั้น pues เราก็ถึงมามาสร้างความรู้สึกตัวที่เป็นนามขึ้นมา คามรู้สึกตัวที่เป็นตัวรู้ที่เราสมมุติว่าเป็นตัวรู้ตัวเห็นตัวเข้าใจตัวประจักษ์อะไรก็แล้วแต่สมมุติจะเรียกมันก็คือหลักๆ ก, ก็คือรู้รู้ว่าเรากําลังหนักกําลังเบากําลังเจ็บกําลังปวดกําลังสบายกําลังไม่สบายแล้วก็มีการเข้าไปตามรู้แต่ถ้ามันไม่มีตัวนี้นะไม่มีตัวรู้ที่เป็นออกมาจากใจหรือออกมาจากนามรือ เ, เฉพาะเนี่ย เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเวลารู้สึกไม่สบายก็เปลี่ยนคนไม่ได้เคยศึกษาเรื่องธรรมะเขาก็เปลี่ยนแปลงเป็นอย่าว่าแต่คนไม่แต่สัตว์มันก็เปลี่ยนเป็นสัตว์มันก็ไม่ได้อยู่นิ่งมันก็เปลี่ยนเวทนาของมันตลอดเหมือนกันแต่ถามว่าทั้งคนทั้งสัตว์ที่ไม่มีการฝึกฝนเรื่องสติปัญฐานเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้สึกตัวไหมเขารู้สึกตัวก่อนไหมที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีเขามีแต่รู้สึกกายไม่ได้รู้สึกตัว รู้สึกไม่สบายก็เปลี่ยนไปรู้สึกหิวก็ไปกินรู้สึกร้อนก็ไปอาบอ่ะรู้สึกหนักก็อ่ไปหาเบาอ่หนีหนักไปหาเบาพอเป็นนีเบาไปเจอหนักอกว็วิ่งหนีกันไปเรื่อยๆเลยนี่ลักษณะการดินนน้นรนหนีความสบายไม่สบายเหลนี้เรียกว่าการเวียนว่ายใต้เกิดการเวียนว่ายใต้เกิดวัตฏสองสารถึงเริ่มขึ้นจากตรงนั้น นะทีนี้พอพระพุทธเจ้าได้ค้นพบกฎนี้ปับ๊บท่านก็นํามาบอกเพราะน้อบอกสาวกทั้งหลายผู้ที่ฟังท่านก็ลองทดสอบพิสูจน์ศึกษาก็ปรากฏว่าได้ผลแบบเดียวที่ท่านได้ยืนยันไว้จริงๆนะได้ผลแบบเดียวคือนะมาตามรู้ตามดูตามเห็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องตามกฎทั้งหมดการเข้าไปรู้การเปลี่ยนแปลงก่อนที่ สมมติที่กล่าวไปเมื่อ้ว่าไม่ว่าคนและสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดทุกขเวนนาขึ้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงด้วยความรู้ที่เป็นสันชาตยานเรียกว่าความเคยชินเป็นสันชัตยานแต่พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นปั๊บโอ้ตัวสันชัตยานนี่มันเปลี่ยนไปงี้ร้อยวันพันชาติมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องชิ้นสุดนี่มันก็เห็นว่าจะเกิดอยู่เนี่ยวนอยู่ในเรื่องของสามเรื่องในอนิจจังทุกขังนาตาเนี่ย แต่เราพบชาติกับกันแล้วเราจะออกจากมันได้อย่างไรสัมภาษส์ทั้งหลายผู้ที่ไม่รู้กฎอันนี้ก็ทุกไปต่า ง, าง ๆ, ๆ <c oughs> นานาทีถ้าหากว่าเราพูดกันเพียงแค่นี้เราก็เห็นภาพจํากัดเฉพาะแค่นี้ถ้าโยงลึกลงไปเป็นอย่างไรเอาทีนี้เอาทีละตัวนะโยงลึกลงขุดลึกลงไปทีละตัวเอาตัวสุขเวทนานะเป็นสารตั้งต้นทีเดียวแ่ะความรู้สึกสบาย สุขเวทนาในฝ่ายที่สบายก่อนที่เราชอบก่อนว่ามันพัฒนาตัวของมันอย่างไรถ้าเรารู้มันพัฒนาตัวอย่างไรถ้าเราไม่รู้มันมันพนาพัฒนาไปอย่างไรสมมติเรานั่งเนี่ยเราเรานั่งสบายๆ เ, เราหาที่นั่งที่สบายที่สุดมีวิธีที่นั่งสบายที่สุดเยอะแย ะ, ย ะ, ยะเลยทุกวันเลยเนยเก้าอี้นั่งเก้าอี้ดีไปก็นั่งเก้าอี้บุกนวม มันสบายก็ไปอีกก็อีนน้บุญนมยังมีพนักพิงได้เอน็นสบายก็ไปอีกได้เอ็ น, นแล้วเดี๋ยวนี้มีก็อี้ไฟฟ้านั่งแล้วมีการนวดบำบัดความเวทนาไปในตัวก็อี้นวดตัวทั้งหลายหลายหมื่นก็ซื้อกันมาใช่ใชไหมแต่มันก็ใช้ได้ไม่สามารถที่ไปบำบัดกูดของนิจังทุกขังอัตจาได้หมดหรอกก็ชั่วคราวเหมือนกันก็อี้ไม่ว่าตัวที่ไม่มีราคาเลยก็มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยก็ทําหน้าที่เท่าเดียวกัน คือบำบัดทุกเวทนาเพราะพ อ, พอสุกเวทนาตัวนี้เราไปไม่ตามไม่ไม่ไปตามรู้ความรู้สึกสบายตัวนี้นะแล้วก็เปลี่ยนไปหาความรู้สึกสบายเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้มันก็กลายเป็นสติสัญญาณแต่ที่นี้ในสุกเวทนาอาการที่เกิดขึ้นถ้าเราไปเกิดตัว ชั้นที่สองนี่คือว่าพูดถึงเรื่องกายนะความรู้สึกสบายทางกายพอรู้สึกชั้นที่สองเราไปชอบความรู้สึกสบายอันนี้จากสุขเวทนามันกลายมาเป็นโสมนั ส, สเวทนาถ้าพูดถึงสุขทุกเวทนานะหมายหมายถึงทางกายนะแต่พอมันเปลี่ยนไปเป็นทางใจปั๊บมันเปลี่ยนชื่อใหม่เลยจากสุขเวทนาเป็นโสมนั ส, สเวทนาความพอใจ และจากโสมนัสสาวิธนาเราไม่ได้ดูมันอีกแล้วก็เพลินในความพอใจในอาการเหล่านี้มันก็เปลี่ยนชื่อไปอีกเปลี่ยนชื่อเป็นตัวอภิชาความพอใจที่เพ่งที่อยากจะให้ความพอใจเพิ่มขึ้นอีกอภิชาไม่ใช่อวิชานะเป็นอภิชาตรงข้ามกับว่บทโทมนัตอภิชาตัวสุเวรนาไม่มีสีตามรูพัฒนาเข้าไปสู่จิตเป็นโสมนัสสาวินา เมื่อความพอใจเราไม่ไํารู้ความพอใจความพึงพอใจในเวทนานอีเข้าไปเป็นอภิชาอยากให้ตัวรู้สึกสบายเนี่ยมีอยู่ได้นานๆแล้วก็เพลินในอภิชาตัวนี้มันชื่อใหม่ว่าเป็นนันทิสารตั้งต้นของตันหาละนันทิในไอธรรมจักรกว่าใช่ธรรมจัก ร, รม ก, กรมสูตรนันทิราคะสหกตะเยี๋วสวดกัน และนันที่ดูนี้เราก็อยากจะให้มีความเพลิดเพลินสนุกสนาน เ, นเข้ามาให้มันเพลินกินเหล้าเฉยๆมันไม่เพลินก็ต้องหากับแกลมมาหาเพื่อนมาคุยไม่พอก็ต้องหาผู้หญิงหาผู้ชายมานั่งร่วมว ง, งอั น, นั้นพวกก็เพิ่มไปตรงนี้จะกลายเป็นนันที่ราคา่านันที่ราคาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สนใจที่ไปเรียนรู้เขามด น, นันที่ราคาก็พัฒนาเป็นกา마ฉันทะพอากา마ฉันทะสารตั้งต้นของอะไรนิวรนเวยใช่ไหมตัวที่หนึ่งเลย นี่มันจะพัฒนาไปจากสุขเวทนาเองพอคำว่าฉันทะเราก็ยังตามรู้ไม่ทันมันออกมาเป็นตัวใครตัวอยากเพิ่มความสนุกสนานให้มีขึ้นบ่อยๆฉันทะพึงพอใจในความสนุกสนานรักใครเหล่านี้ขึ้นไปถ้ามันไม่ได้อย่างใจมันก็ตีกลับไปอีกตรงข้ามเลยอันนี้แล้วกำว่าฉันทะตัวนี้ก็เราก็ยังไม่ตามรู้ไม่ได้ตามศึกษา ก็เปลี่ยนมาเป็นโลภะนะเป็นโลภะและโลภะตัวนี้เกิดขึ้นมันก็จะเพิ่มใ น, ในแง่ของความพอใจภายในอย่งไม่พอเราก็จะหาอย่างอื่นวัตถุอย่างอื่นเข้ามาเสริมความพอใจวัตถุแห่งความพอใ จ, อ, อ, ใจอันนี้ก็ใช่อันนั้นก็ใช่สิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุขึ้นมาเพื่อเสริมความพอใจสาระหลังนี้ ต้องทําให้สวยถ้าทำไม่ดีต้องมีเครื่องบริการต้องมีห้องอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เป็นโลภะต้องการเงินก็แสวงหาเงินนี่เริ่มละเริ่มขบวนการการแสวงหาโดยอํานาจของโลภะแล้วโลภะตัวนี้เกิดซ้ําซากบ่อยเข้าเข้ามาเป็นตัวโลหานุใส หมายความว่าอยากได้เป็นนิสัยแล้วอยากได้อะไรก็อยากอันนั้นก็อยากความอยากที่รุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆก็เป็นตัวการมุปาทานเข้าไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเข้าไปยึดเหนียวแน่นเลยทีเนี้ยว่าเราจะต้องมีเราจะต้องหาได้บ้านอย่างนี้เราจะได้เงินเดือนเท่านี้เราจะได้ตำแหน่งเท่านี้จะต้องการศึกษาของเราต้องสูงเท่านี้เวลาการค้ากำไรเราต้องเพิ่มปีละเท่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว จิตของเราก็จะไปว น, นในห่วงของความอยากเรียกว่ากามุปาทานและการมุปาทานตัวนี้เราก็ตกไปเวียนว่ายในเกิดในกรรมในห่วงของกิกเลสละความเมื่อกี้ข้ามมาตัวหนึ่งตัวที่ว่านันทิราคะแล้วมั น, เ ป, น, เ, าามนเป็นกามะันธาโดยเป็นกามตัญหาก่อนก่อนที่จะเป็นเป็นการมุปาทานกา ม, กามตัญหา ก็เป็นเหตุเป็นสมุทัยให้เกิดในอริยสัตว์ละเป็นกามุปทานกามุปาทานตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตจำรู้ศึกษา mm hmm. ก็มาเป็น mm hmm. กิเลสขั้นละเอยียดที่สุดเรียกว่ากามาสวะดูสิล่าของมันยาวแค่ไหนเริ่มต้นตั้งแต่อะไรจำได้ไหมความรู้สึกสบายๆเนี่ยนะเริ่มมาจากสุขเวทนาแล้วเราก็พึงพอใจในความสุ ข, ขวทนาเช่นตาเห็นรู้สึกเป็นไงเข้าไปสู่ สวยนะสับมันเลยที่เรียงมาเวียงให้เห็นเป็นสโลโมชันเท่านนะแต่เวลามันเกิดปุ๊บเดียวแค่นั้นเองแค่ลัดนิ้วมือเดียวอ่ะในในห่วงสิบกุญแจเนี่ยปุ๊บเดียวเหมือนกับปฏิสุบาทเลยแต่ที่นี้เราแยกมาทีละตัวเรตัวอีกทีหนึ่งไงให้เห็นชัดว่ามันมีรากมีรูทของมันมาเลยเพราะในตัวนี้มีทั้งขิ้เล็อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอยู่ในตัวของสุขควทนาขิ้เล็กอย่างหยาบกลายมาเป็นอภิชาและราคะใช่ไหม กิเล อ, อย่างกลางพัฒนา ม, มาเป็นตัณหากิเ อ, อย่างละเอียดพัฒนา ม, มาเป็นกามาสวะมันเริ่มต้นจากสุขเวนาที่เราไม่ตามรู้นั่นเองเ่ยลากมันก็อย่างอย่างอย่างอย่างอย่า ง, า ง, างลงไปเรื่อยๆน่ากลัวนะแต่นี่หมายความว่าเอามาโ l o w motion ให้ดูเห็นเป็นฟิล์มอ่ะเวลาใช้หนังจีบะเวลาค่าเตะเนี่ยเราเห็นแวบเดียวแค่นี้ใช่ไหมแต่เราไปใช้แยกเป็นเฟรมเป็นเฟรมเลยด้ดมเงี้ยมันมีทั้งกี่ิล์มยี่สิบสมสิบเฟรมนะต่อหนึ่งวินาะที อันนี้ก็เหมือนกันแค่ขณะจิตเดียวนะมันไปทั้งพูดเข้าไปความพอใจความอยากได้ความต้องการเป็นเรื่องเปล่าไปเลยตรงนี้ความละเอียดซับซ้อนตรงนี้คนทั่วไปที่ไม่ได้ไไดศึกษาแล้วก็ตกวังวนอยู่แค่นี้เรื่อง ก, กรรมแต่กรรมโดยที้ให้มันจำกัดอยู่ในปัจจุบนันเป็นไงความทุกข์ความแย่งชิงแก่งแย่งแย่งชิงวัตถุการมทั้งหลายใช่หม ก็ให้เกิดความขัดแยง้งแตกคอทะเละาะเบาะแวงก็ให้เกิดการผิดศีลผิดธรรมโลภอยากได้มีการลักขโมยการเช่กากุลงันวางแผนทำลายล้างเพื่อจะได้ผลประโยชน์มาเป็นพรนเลยทีเนี้ยปัญหาต่างๆไม่ไม่ต้องแจงรายละเอียดจนกระทั่งขัดแย้งระหว่างประเทศใช่ไหมทะเลาะกันอย่างนี้ที่เราเห็นนะีขัดแย้งอย่างประเทศฝ่ายนี้มันสู้ไม่เป็นก็ไปเอาฝ่ายอื่นประเทศอื่นมาช่วยแล้วออื่นมาช่วยก็เป็นสงครามนั้นเวลา ผู้ทีเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยผู้ทีเจ้าได้เห็นความซับซ้อนของการพัฒนาวัตถุแบบด้านวิทยาศาสตร์เห็นเห็นยิ่งกว่าเห็นอีกแต่ทําไมท่านไม่ประกาศอย่างอันเบิร์ไอสไตร์ประกาศนักค้นพบทางวิทยาศาสตร์นะพ่อนาจารย์พ่ท่านบอกว่าการพัฒนาความปรียบี้ของวัตถุในที่สุดของมันก็คือสงครามไม่มีที่สิ้นสุดสงครามตลอดครบตลอดชาติตลอดกลับตลอดกันท่านก็ประกาศตรงกันข้ามเลยไม่ต้องพัฒนาวัตพัฒนาทางด้านนมามธรรม จากสงครามผ่านประกาศทางด้านสันติภาพเลยมาเอารายละเอียดทางด้านนั้นมาทําแต่ว่าพุทธศาสนาผ่านมายาวนานแล้วก็สาวกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตระดักรู้ถึงเรื่องเหล่านี้ให้จริงจังถ้ารู้แต่ถ้าไม่ได้ตอกย้ำให้มันเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ที่จะลงไม้ลงมือทํากันอย่างจริงจังก็เป็นเรื่องอื่นไปหมดเรื่องชาตินีช้ชาก็เราก็เลยตกเข้าไปสู่ศาสนาพราหมณ์โดยไม่รู้ตัว โดยอัตโนมัติเลยก็เต็มศา ส, สนาก็เลยเป็นธุรกิจในการสแสวงหาให้เกิดความเพิ่มพลังอำนาจแห่งโลภะเข้าไปเรื่อยๆแต่หารู้ไม่ว่ามันต้นกําเนิดมาจากเราไปติดความสบายทางกายเท่านั้นเองนิดเดียวนะเพียงที่ไม่มีสติตามรู้เท่านั้นเองมันพัฒนาไปโลกนี้จะอยู่ไม่ได้เลย อ, ะอ่ะเขาบอกว่ารบเคือรอกโลกนี้มันพร้อมที่จะระเบิดโลกนี้ระเบิดเป็นวิกกี่ครั้งก็ได้เนะี่ยดู ทีนี้เราทำไมจึงพลังเหล่านั้นมาจากไหนแมาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นที่สุขเวทนาเพราะสุขเวทนาตัวนี้อ่ามันสมมติว่ า, ากาลังเพลินอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีใครเข้ามากําลังกินเหล้าอย่างนี้นะมีใครเข้ามาขัดใจฮไปไปทการทำงานเนี่เสียเวลาตรงนี้ปั๊ รู้สึกที่กำลังมุดเพลินอยู่เป็นไงชุนทันทีเลยใช่ไหมเที่พัฒนาไปอย่างไรเพราะว่าด้วยความเพลินในทุกตัวสุขภาณาเป็นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเปลี่ยนไปใช่ไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เรานั่งเมื่อกี้พอพิกนิดเดียว่สุงนิดเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้นั่งมันยังสูงเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนมาเป็นปวดแล้ว มันมีกฎของการเปลี่ยนแปลงของอ น, นิจจังมาเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นทุกขังอยู่แล้วนั่นเหมือนกันเรานั่งเพลินๆอยู่นี่คนอื่นมาขัดใจปั๊บกฎของสุขังถูกทําลายทุกขังเข้ามาแล้วใช่ไหมกินเหล้าไม่อร่อยแล้วทีเนี้ยนี่เพราะังมันก็เริ่มต้นไปจากว่าความ รู้สึกสบายของกายที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ตระหนักรู้แล้วก็ไปเพลินเรื่องอื่นพอไปเพลินเรื่องอื่นตัวความรู้สึกสบายเปลี่ยนมาเป็นความสบายเราก็ไม่รู้อีกเพราะเราไม่รู้สุกเวนาที่กําลังเกิดแต่มันเกิดรู้สึกัวต่อมาเราไม่สามารถจะทนต่อทั้งเวนาะรู้สึกเออฟังเพศดีๆๆแล้วเกิดไม่ลืมเปลี่ยนท่าแล้วเออมันเกิดทําไมเกิดความ ไม่สนุกไม่ไม่สบายหมุนหงิดขึ้นมาทันทีโดยไม่รู้ตัวนะแต่หารูปมันไปสืบเนื่องโด ว, ว่าตัวทุกรู้สึกทุกข์ในทางกายนี้ไม่มีสติตามรู้ให้เห็นชัดมันจะเกาะตัวที่สองขึ้นมาเข้าไปสู่จิตเรียกว่าโทมานัสสเวทนาซึ่งเมื่อกี้มันสืบทอดมาจากสุขเวทนาเป็นโสมานัสสะเวทนาใช่ไหมแต่ถ้ามาเป็นฝ่ายที่เกิดความไม่พอเป็ น, ปนโทมานัสสะคือความไม่พอใจความขัดใจ เกิดในความขัดใจเราก็ไม่ตามรู้มันมาได้อย่างไรเนี่ยความหมุดงิดงุ่นงานขัดใจก็มาเป็นโทมานต์และโทมนั์ตัวนี้ก็แปลงมาเป็นตัวจากโทมานต์สวทนานะมาเป็นตัวที่สองทีนี้มันก็แปลงมาเป็นตัวพยาปาทะซึ่งเป็นตัวที่สองข้อนี้ก่อนเลใช่ไหมพยาปาทะที่มีกี่ตัวโมสมานต์สวทนาแปลงมาเป็นตัวอภิชา แต่พอ ม, มาเป็นโสมนัสสาวทนาแปลงตัวมาเป็นพยพยาปาธาความฉุนความขุนความอึดอัดขัดเคืองอยู่ในใ น, ในในใจและตัวพยาผารานี้เปลี่ยนมาเป็นตัวอะไรปฏิฆะแต่ความจริงมันน่าจะโสมนัโมสโทมนัสสาวทานาก่อนถึงพยาบาธามันน่าจะผ่านตัวปฏิฆะก่อนนะปฏิฆะเขาคุณรู้สึกไม่พอใจอ่อนๆแต่ปฏิฆะที่เราเป็นภาษาไทยเราแปลว่าไงดีจัน ผมเจตนาตรกระทบกระทั่งเนี่ยฉุนนะระหว่างพยาบาทะคือความพยาบาทะกับปฏิฆาเนี่ยอันไหนแรงกว่ากันดีกรีมัแรงกว่าใช่ไหมอาจารย์โมสมณะโทมณัสสะมันใช่ว่าผ่านที่พยาบาทะก่อนไปตัวไอ้ปฏิฆาก่อนเนาะก่อนที่พัฒนามาเป็นตัวพยาบาทะจะแรงกว่าที่ต้องอาศัยอาจารย์ ภาษาไทยเขาช่วยเลยนะทีงเง่เริ่มเดาสภาวะได้ถูกน ะ, ะผ่านโทมานัสสมัเป็นปฏิฆะฉุนไม่สนุกอึดอัดก็มาเป็นตัวพยาบาทะก็เป็นตัวที่สองของนิวร์แล้วใช่ไหมพยาบาทาเกิดเราก็ไม่ตามรู้ตามทันอีกเกิดมาเป็นโกรธะโกรดใช่ไหมทีนี้คําว่าโกรธกับโทสานี่ย ก่อนจะเป็นโทสะระหว่างโกธกับโทสะเนี่ยน้ําหนักตัวไหนแรงกว่าฮะโกธาแรงกว่านั้นก็ต้องมาเป็นปฏิฆาต้องมาเป็นโทสะก่อนแล้วจึงมาเป็นโกธใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะลําดับคือท่านจะวางภาษาบาลีท่านจะวางลําดับถึงความเข้มข้นความหนักหน่วงของของอารมณ์ตัวนั้นแล้วก็นำมาหยัดศัพท์ตามโทสะแรงกว่าโกธาใช่ไหมโกธา แกงแรงกว่าจะโกรธถ้ามาเป็นอุปนาาิ ह ะผูกโกรธจะอุปนาาิฮะผูกโกรธอยู่ในใจเดี๋ยวกัวเอาคืนให้ได้เนี่ยแต่จังหวะก็เอาเลยเขาพูดมา้ึไม่พอใจหาทางหาคําตอบที่แสบกลับคืนไปว้ว่างเนี่ยเรื่องไปอุปนาาิฮะได้ใช่อหมโดยนเฉพาะในครอบครัวก็ระาวาังสามีภรญยาใช่ไหมใช้ประจําเลยใช่ไหมโกรธอุปนาหะตอบกันไปโต้กันมาอย่างเนี้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดามากแต่เราก็ใช้มันจนชินอ่ะชาอุปนาหะมันก็กลายมาเป็นตัวภวาสวะกามตัิหาภวะก็มาเป็นภาวะตันหาเพราะตัวไอไอสุขเวทนามันพัฒนามาเป็นการมตัิหาใช่ไหมตัวนี้ก็พัฒนามาเป็นภวะตันหามึงรู้จักกูรู้ป่ากูเป็นใครภวะตันหาอ่ะจ กูเป็นพ่อมึงนะแรงก็กูเป็นแม่มึงนั่นเนี่ยเพราะว่าตัณหาแล้วนะแล้วเพราะว่าตัณหาก็พัฒนาต่อไปอีกเป็นอั ต, ตวาทุปาทานสำคัญตนตนตุนตัวตใหญ่ขึ้นน่ะยิ่งเป็นพ่อมีอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมตอนแรกคนคนธรรมดาเขาเลือกขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน กูเป็นผู้เยาวบ้านนะมึงต้องเชื่อกนะูนะเนื่องมันเสียหน้าผู้เยาวบ้านเกิดแล้วสําคัญมั่นหมายตัวอัตวาทุปาทานและตัวอัตวาอุปาานี้ก็เป็นตัวภาวาสวะในะที่สุดนี่รากรูปของคําว่าสุทุกเวทนาตัวเดียวเนะี่ยมันต่อยอดหล่อลากมาจนถึงตัวพอไปเป็นภาวาสวะแล้วแกยากแลทีเนี้ยเป็นบุคลิกเลย คนนี้อารมณ์ขุนง่ายเสียง่ายแตะหน่อยไม่ได้ขึ้นในยปุ๊บเลยนั่นคือต้นตอของนรกไฟนรกติดเลยอ่าแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกของคนทั้งคนเลยนะขเขาเรียกว่าโทสัจริตนะไอคนนี้โทสะจริตไปพูดอะไรขัดใจไม่ได้นะ้ำขึ้นทัน ท, นทีเลยนะไปพูดกับคนนี้ต้องระวังนะพี่ผิดร่องผิดลอยขึ้นมามันขึ้นปุ๊บอุหนีไม่ทนันะนะใช่ไหม มีคนนั้นก็เป็นสันนิโรกไปเลยในร่างของคนนี่แหละแต่คือสันนิโรกเพราะไฟไหม้ไปจากกุไฟโทสาเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอตายอ่ะใช่ไหมมันปรากฏอยู่ในที่หมดเลยถ้าถาาว่าตัวมิกีิไอตัวสุขเวทนาพัฒนามาเป็นตัวเราโลภในความสุขเป็นเปรตใช่ไหมโลภข้าลงมาเป็นเปรตโลภอยากขึ้นมาเป็นไปกายไปใจไปเป็นเปรตเป็น ทุกปฏิภูมิมนุษย์เปตโตแล้วนี่ไม่ต้องตายแล้วก็เปรก็เยอะในบ้านเราเนี่ยโคงกันครงการต่างๆเปรตทั้งนั้นนะบ้านเราก็เป็นบ้านเปตรตเมืองเปรตไม่ใช่บ้านไทยเมืองไทย <c oughs> และลบกันก็เพราะความเป็นเปรต เ, เนี่ยมันเยอะ <c oughs> ได้เท่านี้ไม่พอกินทุกอย่างนะอถ้าหากว่าโอควายคนที่มันกินแต่ว่าความภาวะที่จินโลกมันกินทุกอย่างดินหินปูนดินทรายดินที่ดินที่ดอนกินหมดนะ มันไม่ใช่แค่ปลูกแค่กินผลไม้แค่นั้นนะกินดินกินทรายกินตึกกินรางกินบ้านกินช่องกลายเป็นจากเปรืก็กลายเป็นปีศาจสูบเลื่อนเลยทีนะี้ทำนาบนหลังคนมันด่างระดับมาจากตัวนี้ทั้งนั้นนะ่ะต้นตอของมันนะ่ะซึ่งน่ากลัวมากแต่ว่าใครว้างที่จะฟังพระพุทธเจ้าในเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครฟังนักถือพุทธเก้าสิบห้าเปอเซนตะเมืองไทยนะแต่บ้านเมืองกลายเป็นซาตาโลกเิ็นเปลดไป เอาละทีนี้มาดูตัวที่สามไห น, ไหนก็ดูแล้วดูให้มันสุดสายของมันเลยนะพูดถึงเรื่องเวทนาว่าสุขเวทนาตามสายมาเมื่อกี้จนไปถึงกามาสวะจากกิเดชยาบกลางละเอียดทุกขเวทนาพัฒนาตามสายจนไปเป็นเป็นภาวะสวะกิเลสทั้งสามระดับยาบกลางละเอียดทีนี้มาตัวที่สาม เวทนาทั้งสองอย่างเราไม่ใส่ใจเกิดสุขชั้นก็ไม่ใส่ใจสุกข์ั้นก็ไม่ใส่ใจหนักฉันก็ไม่ใส่ใจที่จะตามดูเฝ้าดูเบาฉันก็ไม่ใส่ใจที่จะตามดูเฝ้าดูเวทนาตัวนี้เขาเรียกว่าอะทุกข์ขมสุขเวทนาแต่ในตำราเขาแปลว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงนี่มาไม่ค่อยเห็นด้วยนะคือในสุในทุกข์มันมีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่มันไม่ปรากฏชัดเนี่ยเราก็ไม่ใส่ใจ เพราะมชัดแล้วก็เพลินใช่ตนนั้นตัวเพลินนี่เองก็ก่อให้เกิดตัวทุกขมสุขเวทนาเผินในสุขก็มีเพลินในทุกข์ก็มีถ้าเป็นสุขเวทนาก็เพลินในเพลินในสุขเกวทนาฆะใช่ถ้าเพลินในทุกข์เวทนาแลเพลินในสุขทั้งสองอย่างเป็นทุกข์ขมสุขเวทนาอันนี้คนนั่งกินเหล้าเนี่ยมันเพลินในสุขหรือเพลินในทุกข์ เพลินในทุกอะทุบ ก, กันต่อยกันนับมวยสิบยกสิบห้ายกมันเพลินในสูงหรือเพลินในทุกอะเพลินในทุกนักเลงตีกันยิงข่ากันแทงก็สนุกอะมันเพลินในสูงหรือเพลินในทุกเนี่ยนี่อทุกขก็มีสุขเวทนาเห็นไหมมันมีอยู่โดยเฉพาะทางใต้เราหูากินอาหารเผ็ดเน้นน้ำมูกน้ำตาไหลนุ่เพลินสนุกยิ่งขี้ มันเฟืน่ในสุขแล้ว่องในทุกข์อ่ะมันไม่ใช่ใก ล, ต, กใใก ล, ใกลตัวเรานะักนั้นเรื่องนึ้งนอยู่แค่ใกล้ตัวเราเน่ยแต่มันเป็นอทุกข์ขมสุขเวทนาเราไม่รู้นะพอทุกข์ขมสุขเวทนาเราไม่ไม่ใส่ใจก็เรียกพัฒนามาเป็นทุติยสองเลย ว, ว่าอุเปกขาเวทนานี่เพราะะนั้นอุเปกรขาเวทนากับอุเปกขาสัมโพชงต่างกันยังไงหลวงพ่อเจ้าคุณพยุทธังแปลไว้ ด, ดีนะอุเปกรขาเวทนาแปล ว, ว่าเฉยเมย อุปเเกขาสามพุทธชงโรเฉยมองถ้าให้คําสั้นๆเดี๋ยวชัดเจนว่าเฉยมือก็เฉยมองถ้าเป็นเฉยมองนี่หมายเป็นพุทธธรรมเป็นฝ่ายบวกเป็นฝ่ายกุศลถ้าเฉยมือเป็นฝ่ายอกุศลนะก็คือตัวอุปเเกรษขเวทนาก็เป็นอุปเเกรษทีนี้ตัวอุเเกรษขาเวทนาเราก็ไปเปิในอุเเกขาพยายามมนพัฒนาเป็นอะไรนี้เป็น ตรงนี้แหละไข่ง่วงใครฟุงร้งซ่านไข่ลังเลสงสัยพัฒนาไวาจะาอุเบกขาเวทนาคือไม่ใส่ใจต่อสุขทุกข์กที่เกิดขึ้นไม่ใส่ใจต่อสุขเวทนากลายเป็นตัวง่วงไม่ใส่ใจต่อทุกขเวทนาเป็นตัวฟุง้งซ่านไม่ใส่ใจต่ออทุกขมสุขเวทนามาเป็นตัววิจิกิชาที่อ่อนหักรบ้ไหม เพลินในสุขเวทนาเป็นกามฉันทะเพลินในทุกขเวทนาเป็นพยาบาทะเพลินในอทุกขมสุขเวทนาเป็นตัวถีนว <intense imiz> ิทะอุทจักภูจะละวิจิกริษะสามตัวเลยทีเดียวและสามตัวนี้ก็พัฒนามาเป็นโมหะเห็นสายมันเลยอย่างจากอทุกขสมสุขเวทนามาเป็นอุเบกขาเวทนาเจ้าเปรคาเวทนามาเป็นตัวถีนวิทะพระจ่า วิชีชาพัฒนาเนตัวโมหะและตัวโมหะก็เป็นโมหานุใสทีเนี้ยเป็นโมหานุสัยเป็นจากโมหานุใยก็มาเป็นวิภวะตัณหานี่สัณหาสามพัฒนาไปสู่กิริาณานสามตัวนี่แหละแต่มันมีรากรูดเข้ามาําเป็นวิภวะตัณหาตัวโทสะพัฒนาเป็นภาวะตัณหาใช่ไหมแล้วตัวราคาพัฒนาเป็นการมตัณหานัเอง ทีนี้พอพัฒนามาเป็นวิภวตัญหาต่อไปก็เป็นอัตวาทุปาทานตัวตัวสุดท้ายเป็นอุปทานมีการมุปทานที่ทุปาทาน อ, อโทษะเนี่ยโทษะมันพัฒนาอีกตัวหนึ่งมันมีคาว่ามานะอยู่ในโทษะไม่กี่มันตกไปตัวหนึ่งทีนี้ตัววิภวตัญหาก่อนที่จะเป็นวิภวตัญหาเนี่ยมันพัฒนามาเป็นทิฏฐิก่อน แล้วก็มากับไปทิศถูปาทานนี่ไงสาคัญนะมีความคิดเห็นโดยเฉพาะาการศึกษาสมัยใหม่นะโอ้มีความคิดเห็นอย่างโนนี้ยเยอะแยะไปตัวนี้เป็นทิศถูกประทานหมดไปสําคัญมันหมายยึดเอาความคิดของตัววัตถุกลายเป็นลทัทธิขึ้นมาต่างๆลทัทธิศาสนาเกิดขึ้นเพราะตัวนี้มาจากทิศถูปาทาน เราพุทธศาสนาแยกไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันนาทีก็มาจากตัวนี้ทั้งหมดคือทิฏฐุประทานสำคัญมั่นหมายความคิดเห็นของคนเองถูกต้องดีกว่าคนอื่นแน่กว่าคนอื่นเป็นทิฏฐุประทานมันครอบคลุมทั้งหมดเลยแล้วในทิฏฐิหกสิบสองที่พระพุทธเจ้าในอะไรในพระมชชชารสูตรเนาะ พูดถึงเรื่องหกชี่ทิจิโหยสองก็มาจากที่ถูกประทานนี่เองในที่คณิกายพรหมชาลสูตรใครมีเวลาไปอ่านศึกษาดูละเอียดมากเลยว่าสําคัญอันนี้เป็นนิพพานสําคัญนี้เป็นนิพพานนิพพานมันทั้งทัสิบสองอย่างเออหกสบสออย่างแต่ทั้งหมดไม่ใช่นิพพานของพุทธศาสนาความเราไปสําคัญความสงบชั้นพรมทั้งหลายเนี่ยเป็นนิพพานนีรายละเอียดลงไปเยอะนะนี่เรื่องของโมหะเราก็รู้จักแต่โมหะตัวเดียวใช่ไหมแต่มันพัฒนาไปไงเราไม่รู้ พราะพระเองท่านก็ไม่มาชี้แจงท่านก็ใช้แต่ราคาโทสะมูหาแค่นี้หลยนะและ้วบางทีอสวะรคนี่ก็ได้พูดถึงการมอสวรภวะอสวะระ ว, ว, ะวิชาอสวะก็ไม่รู้นี้พอพัฒนามาเป็นทิฏฐิทิฏฐิประธานก็มาเป็นอวิชาอสวะในที่สุดแม้แต่และตัวลากลุ่นมายาวเหยียดเลยอวิชาอสวะก็มาจากตัวนี้อาทุกขมาสุขเวทนาต้นของมันปลายของมันก็คือเวิชาจตุและกิเละเอียดที่สุด พระหลัเท่านั้นตัดได้ตัวนี้อนาคามีตัดไปได้เลยมานะอุทจาักมานะอุทจักพระกนาคามียังยังติดอยู่เลยอะ่ะแล้วอวิชาก็ยิงงก้าวนาคมียังมีฟุ้งอยู่ฟุ้งในเรื่องดีๆ อ, อ่ะก็ยังถือตัวอยู่นะอนาคามนะีมีอยู่ครั้งหนึ่งเนอ้อยจิตตะครหาหบดีเนี่ยเป็นพระอนาคามีนะมันเป็นครหาหบดีเมื่อก่อนทีนี้พอไปทําการคายท่าไหนรู้พลาด เลยหมดเนื้อหมดตัวจนเมื่อก่อนเวลาพระไปวินาบาทเน่ยใส่แต่อาหารดีๆปานนี้เท่านั้นเลยนะอาหารดีๆพระก็อยากไปนี่ต่อมาปรากฏว่าเมื่อพลาดทางด้านธุรกิจแล้วล้มละลายก็ไม่ทิ้งแต่การใส่บาตรก็ใสบาตรเหมือนเดิมเลยแต่ว่าวันหนึ่งพระรูปหนึ่งยังเป็นพุทุชนอยู่นะคือเมื่อก่อนได้รับอาหารดีๆแต่เดี๋ยวนี้ท่าน ทำอะไรข้าแดกงานตำงานน่ะตำงานใส่ข้าวหนึ่งใส่ข้าวใสา่าสาบาตพระทําเป็นก้อนเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆพระก็บุรุษชนอ่ะก็าตั้งคอยสังเกตแบบลักษณะขัดใจอะไรแล้วก่อนอาหารดีๆเดีด๋ยวนี้เอาเข้าแด <ๆ S 2> กกล้ามใส่บาตรเอ้ยกๆๆ็พูดให้เพื่อนนะะที่นี้คนมาไปเข้าหุงจีจักราบุรีจีจักราบุรีก็เลย ไปฟ้องพุทธเจ้าว่าพระอะไรไปมีแต่บ้านอันได้อาหารไม่ดีแล้วบ่นนะที่พุทธเจ้าก็ได้เรียกพระองค์นั้นมาขอโทษพ่าเธอรู้มานี่คือเป็นขลับแต่เธอเป็นพุทุชนอยู่อันนี้เป็นอนาคามีนะให้มาขอโทษยงแต่ท่านก็ไม่ขุนวอะไรนะยังเดี๋ยวว่าตําหนี่ท่านนัเองนึกตาหนี่ท่านเองก็เป็นมานะเช่นนีหนึ่งใช่ไหมให้ตําหนีผู้อื่นเนี่ยเป็นมานะเช่นนี้หนึ่งยังเป็นมีมานะอยู่วาอนาคามี นี่เไม่ต้องพูดถึงเรื่องอวิชชาสวะละข้าดไม่ได้มีแต่พระรหันต์เท่านั้นอันนี้คือสามตัวแค่นั้นเนี่ที่พูดมาเนี่ยว่ามันมัน拉มันยาวแค่ไหนแล้วก็รู้ก็จะได้ว่าสุขทุกข์มสุขมทุกข์รู้ได้ว่าราคาโทรศัมหักแค่นั้นมันไม่รู้ในรายละเอียดเราก็ไม่เราไม่รู้สึกหวาดกลัวอะไรกับมันสามตัวนี้เป็นเรื่องธรรมดามากใช่ไหมแต่ณนะวันนี้เนี่ยถ้าหากกระรมือปฏิบัติเนี่ยเราก็จะจับรายละเอียดของตัวนี้ไม่ต้องจับ เป็นสายเส้นสาวยาวยิ่งอย่างที่มาว่ามัหรอกแต่นี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันลากมันเจริญไปอย่างไรเท่านั้นเองแต่ให้มาใส่ใจต่อสุขทุกข์ที่เรามีอยู่หนักเบาที่มีอยู่สบายสบายที่มีอยู่อย่าไปปล่อยปลยปะละเลยให้ตามรู้ตามดูให้เห็นให้ชัดเพราะถ้ามันไม่ชัดแล้วมันลากมันยาวไปเหยียดเรนมันยากใน ก, การเข้าไปตัดยากก่การขุดค้นมันลึกเกินไปลึกเกินส้นทปัญญาของเรา แต่พอเรามาขุดคนในลากที่มันพิ่งลงพึ่งอย่างเนี่ยมันง่ายใช่ไหมเอาเสียมขุดกันเดียวก็ออกมาแต่พออย่างลากลงไปหรือเป็นสองสามเมตรล้วโฮยมขุดเท่าไหรไม่ถึงแล้วทีนี้อามานึกถึงสมัยเป็นเด็กมันมีมันชนิดหนึ่งเรื่องมันเสาอาจารย์สมชินาเคยได้ยินนี่มันเสาฮะมันเสาทางเหนือขึ้นเยอทางอีสานเรื่องมันเสาแต่ทางเหนือมันมีเขาเรียกมันมัน มันไอยาวนี่แหละมันลงไปเรื่องมากนะเป็นวานสองวานลยนะหัวมันอ่ะเคลือมันเป็นเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอ่ะทางใต้ก็จะมีอยู่ทีเวลาไปขุดเนี่ยมันพอมันสุดมันด้านเสียมเรายาวสักวานึงขุดต่อไปไม่ได้นะเราก็หาแค่นั้นไอที่เหลือก็ติดอยู่ในดินเพราะมันยาวเกินไปด้านจอบด้านเสียงลงไม่ถึงพราะเราขุดลงไปเพราะมันก็เล็กก็มีใหญ่ก็มีถ้าใหญ่ก็ขนาดนี้แหละมันเป็นเหลี่ยมเป็นภู เพะนเวลาไปขุดทางใต้เขาเรียกมีไหมมีมันตรงนี้ไห ม, มเถา ม, ม, มันเลียมๆอ่ะใบมันแค่ใบพลูอ่ะมีนะเคยไปขุดกินไหมนึ่งกินอร่อยนะอ เ, นเออเ อ, เออมันหอเออ่ะมันหรอทีนี้พอตาของอาตมาเึงจะเอามันทั้งหมดมันไปยากอะไรถ้าขุดลงไปมึงจะไปตัดหัวนะ หัวจุกมันอ่ะให้เอาไม้มาไม้แค่ไม้กระดงเรือเสียบไว้ไกลๆไม่ไผ่นะไเสียไว้หรือไม่หรือกอไผกก้แรกอยู่ข้างๆนี่ตัดไปเอาโน้มมาเล่มใหญ่ๆโน้มมาแล้วก็ผูกเป็นเบ็ดอ่ะแล้วมาเสียจหัวนี้ดึงลงมาให้ต่ํามันดึงเต็มที่เลยเสร็จแล้วหลุมมันนี่ยที่เราขุดลงไปเอาน้ํามาเทไว้เอาน้ําใส่ให้เต็มหลุมเลย ผูนี่เช้าไปดูมันยกขึ้นเฉยเลยทั้งดุ่นเลยนี่เนี่ยมันลึกขนาดไหนก็ยกขึ้นหมดเลยเพราะดินมันหลวมใช่ไหมเพรน้ํามันแช่อยู่ทั้งคืนอ่ะพอดินมันหลวมก็ยกขึ้นแต่บางแห่งก็ยกไม่ขึ้นเพราะลงไปลงไปไปไอตัวไปแทรกอยู่แง่งหินแง่งรากไม้อะไรเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีโบราณเอามาก็เรียนรู้มาจากนั้นดังนั้นกิเลสมันลึกขนาดนี้เราก็ต้องมีวิธีอย่างนั้นเหมือนกันต้องดักต้องใส่เบ็ดเหมือนกันเหมือนกันเถอะต้องใส่สะทาแช่สะทาวงั้นอ่ะ ศรัทธาและความเพียรความเพียรคือคันเบ็ดที่นุ่ ง, งไปดึงไว้ตลอดเวลาแล้วก็มีศรัทธาคือน้ําแสแช่เข้าไปเยอะๆศรัทธาและไม่มีอะไรที่หนีศรัทธาและความเพียรไปได้จะลึกขนาดไหนก็เหมือนเราไอ้ดักเบ็ดมันเสาเนี่แหละมันดึงถอนออกมาจะได้พระอรหันต์ท่านทำอย่างนั้นนะคือมีศรัทธาเพราะฉะนั้นท่านจะวิริเ ย, ยนะทุกขมะจิติคนจะพ้นทุกข์กขด้วยความเพียรไม่ได้พ้นด้วยศวีลสวติปัญญาอะไรนะนะ สิ่มันยาก็เป็นเครื่องมือเท่านี้แต่สิ่งที่ต้องทําตลอดคือความเพียรทําไม่หยุดเหมือนกับเราน้มไอคันเบ็ดมาเนี่ยต้องต้องมัดขาไว้เลยเมื่อไหร่มันมีความพร้อมความหลงก็ค่อยดึงขึ้นเองจนเช้ามาก็ไปตัดเขาแบกแบกมันกลับบ้านอะไรดักแหี้ยมันเพราว่าอย่างนี่เป็นคนเหนือคงจะเคยเห็นนะคนโบราณดักแห้วมันนี่แต่หมายความถ้า เลยแ บ, บ่งนี่ได้กับบ้านโอ้โหกินกันหลายวันก็จะหมดแ บ, บ่งพี่แ บ, บ่งน้องกันคนละท่อนสองท่อนทอดกันนั้นเนี้ยเป็นหนึ่งไป็นต้มยำอะไรกินโอ้มันหมดเวลาแล้วนี่เนะเจ็ดมงกว่าแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> ขออนุโมทนาสาธุเราพูดถึงเรื่องรู้เรื่องรากของเวทนาทั้งสามตระกูลมาระสมคตรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งใจ แล้วก็ให้เข้าใจสามารถที่จะเห็นดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกและสามารถปลูกฝังศรัทธาและปัญญาให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราตลอดไปด้วยกันทุกนคนทุกท่านทิน